เรื่องพิกุณีเป็นไข้1235สมัยนั้นพิกุณีทั้งหลายเป็นไข้พิกุณีผู้ถามอาการไข้ได้กล่าวกับพิกุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าแม่เจ้าพวกท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือพิกุณีผู้เป็นไข้กล่าวว่าแม่เจ้าเมื่อก่อนโพวกิฉันออกป่าขอนมเปรี้ยวมาฉันได้เพราะเหตุนั้นพวกดิฉันจึงมีความผาสุกแต่บัด น, นี้โพวกิฉันยำเกรงอยู่ว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามจึงไม่กล้าออกปากขอเพราะเหตุ น, นั้นจึงไม่มีความพาสุขพวกภิกษุได้กราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ